หการบอกคืนศิกขาโดยใช้คําว่าไม่ต้องการ14บี่บทวงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพระพุทธเจ้าวงเล็บ14ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเพื่อนโภมจารีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนศิกขา